แค่ไหนเรียกว่ายินดีในบาปถามที่คุณดังตรินบอกว่าคิดไม่ดีแล้วไม่ยินดีจะยังไม่เป็นบาปใช่ไหมครับไม่ทราบจะเอาเกณฑ์อะไรว่าตัวเองยินดีหรือไม่ยินดีต้องคิดแค่ไหนถึงเรียกว่าบาปแล้ว ตอบถ้าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆเกินห้าวินาทีก็พอจะสะท้อนได้ครับว่าคุณเต็มใจหรือยินดีให้ความคิดอกุศลรั่วรถจิตใจจนเปียกปอนแล้วแต่ถ้าวินาทีแรกที่เกิดวูบความคิดร้ายๆแล้วระลึกได้ทันว่านั่นแย่นั่นเป็นสเก็ดความคิดที่ไม่ควรเก็บไว้นั่นเป็นเชื้อร้ายที่ดูดายจะลุกลามเป็นมะเร็งในจิต ก็ถือว่าคุณไม่ยินดีไปกับมันถ้าหากคุณไม่ยินดีกับทั้งไม่ทรมานใจทำใจไม่รู้ไม่ชี้เสียได้กับอากุศลธรรมในภายในอย่างนี้ยิ่งความคิดเร็วเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าคุณได้ทำบุญมากขึ้นเท่านั้นเพราะสติที่เกิดขึ้นทันทันกับความคิดเร็ว ไม่ปล่อยให้ความคิดเลวๆยืดเยื้อนั่นแหละคือมโนกรรมอันประเสริฐผลของกรรมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับบาปย่อมมีผลสูงเสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณรำคาญยุงกัดแทนที่จะตบมันให้ตายเหมือนคนทั่วไปก็เกิดสติคิดได้ว่าการฆ่าสัตว์คือการละเมิดศีลข้อแรก แล้วคุณอยากจะรักศีลมากกว่ารักความแค้นเล็กๆน้อยๆก็ตัดสินใจเพียงโบกมือไล่ยุงให้พ้นๆหากยอมเป็นฝ่ายทนรำคาญต้องโบกไล่เรื่อยๆผลใกล้คือจะเป็นผู้มั่นคงอยู่ในศีลมากขึ้นตามลำดับมองเผินๆเหมือนไม่ค่อยมีความหมายแต่หากมองด้วยภาพรวม คุณจะค่อยๆก่อร่างสร้างภพที่ปลอดภัยให้ตัวเองมากขึ้นทุกทีโอกาสถูกยั่วยุให้กระทำผิดชนิดเสี่ยงต่ออบายจะน้อยลงสำคัญคือแต่ละครั้งที่อยากตบแล้วไม่ตกคือการสั่งสมกระแสะเมตตาเพิ่มทีละน้อยเมื่อเต็มจิตแล้วก็กลายเป็นเมตตามหานิยมในตัวเองโดยไม่ต้องทำพิธีเสกเป่าใดๆ และหากไม่ตบยุงด้วยความรำคาญได้ทั้งชีวิตผลไกลคือเกิดใหม่จะเป็นผู้มีขันติสูงมีความรักศีลไม่ดูเบาในกา ร, รชั่วเล็กๆน้อยๆมีหน้าตาออกไปในทางใจดีไม่มีในตาดุไม่มีเขาหน้าชวนให้นักเลงอยากเดินเข้ามาหาเรื่องเป็นต้นที่ยกตัวอย่างเรื่องตบยุง่ง ก็เพราะเพียงคุณเต็มใจยินดีกับความแค้นที่ถูกมันกัดเจ็บเล็กเจ็บน้อยนั้นก็มีแนวโน้มว่าคุณจะตบมันและมองว่าเป็นบาเพียงเล็กน้อยไม่มีใครถือสาไม่มีใครหาว่าเลวแต่ถ้าในวินาทีแรกคุณรู้ตัวว่าคุณแค้นแล้วนะอยากตบแล้วนะจากนั้นเกิดสติเข้าทัน ไม่ยินดีกับความคิดอันเป็นไปในทางปานาติบาตผลที่เกิดขึ้นทางกายกรรมคือตัดสินใจไม่ลงมือตบซึ่งเข้าฝ่ายกุศลกรณีอื่นๆเช่นเกิดวูบความคิดอยากขโมยอยากผิดประเวณีอยากโกหกอยากกินเหล้าแล้วเกิดสติตัดใจได้ทัน อย่างนั้นยิ่งวูบคิดไม่ดีเกิดมากเท่าไหร่ก็จะได้ฝึกเป็นนักแปรธาตุมากขึ้นเท่านั้นสรุปชัดๆอีกทีเกณฑ์วัดว่ายินดีในความคิดที่เลวคือการทอดหุยปล่อยให้ความคิดเร็วๆดำเนินเรื่อยเกินกว่าหวินาทีขึ้นไปส่วนเกณฑ์วัดว่าไม่ยินดีในความคิดที่เลวคือฝึก คิดจะมีสติรู้ทันในวินาทีแรกและไม่ปล่อยให้ความคิดเร็วๆดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ปล่อยให้ลุกลามเป็นการพูดและการกระทำที่สนองตอบความคิดนั้นๆได้ขอให้สังเกตว่าเมื่ อ, อยังไม่ศึกษาเรื่องกรรมวิบากไม่เป็นผู้ศรัทธาศีล ส่วนใหญ่เกิดความคิดแย่ๆก็ปล่อยแช่กันอย่างนั้นในหัวของคนส่วนใหญ่จึงหมักหมมอยู่ด้วยเรื่องแย่ๆผลใกล้ที่เห็นชัดคือคนส่วนใหญ่มีจิตที่มัวหมองไม่เป็นสุขหรือกระทั่งหดหูอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีฐานะหน้าตาดีๆก็ตามทดลองโดยสวดมนต์ไหว้พระจนเกิดความรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข จำเอาไว้ว่านั่นคือตัวอย่างกุศลละจิตถ้าคิดไม่ดีแล้วปล่อยแช่เกินห้าวินาทีคุณจะรู้สึกถึงความเสื่อมลงมืดมัวลงอย่างรวดเร็วแต่หากคิดไม่ดีแล้วเกิดสติเท่าทันไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อก็จะพบว่าความสุขความสว่างอบอุ่นอันเป็นภายในไม่เหินหายไปไหนดีเหมือนกันครับ ทำความรู้จักกับธรรมชาติของกุศลจิตและอกุศลจิตบ่อยๆคุณจะยิ่งศรัทธาว่ากรรมวิบากเป็นของจริงและจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่ต่อหน้าต่อตาจริงอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่ทุกขณะจิตแท้